ยาซีเรียสเรื่องถือก็หนักวางก็เบาพระบวชใหม่รูปหนึ่งเดินบินทบาทผ่านชุมชนแห่งหนึ่ง ซึ่งมีผู้คนจอแจขณะเดินสำรวมก้มหน้าแต่พอประมาณเพื่อเดินผ่านชุมชนไปอย่างช้าช้านั่นเองจูๆ่ๆก็มีชายวัยกลางคนคนหนึ่งใส่สูทผูกเน็คไทสวมแว่นตาดำเดินเข้ามาหาท่านพร้อมทั้งชี้หน้าด่าท่านอย่างสา์เสียเทเสียพระรูมนั้นตกตะลึงรีบเดินหนี แต่แม้ท่านจะเดินหนีชายคนนั้นพ้นแล้วแต่เสียงด่าของเขายัางคงก้องอยู่ในโสดปราสาทของท่านอย่างชัดถ้อยชัดคำเมื่อกลับถึงวัดพลันที่คิดถึงเหตุการณ์ที่ตนถูกชี้หน้าด่ากลางฝูงชนพระหนุ่มก็รู้สึกโกรธจนหน้าแดงกำ่ำยิ่งคิดต่อไปว่าชายคนนั้นมาชี้หน้าด่าตน ซึ่งเป็นพระและตนเองก็จำได้ว่าตั้งแต่บวชเข้ามาในพระธรรมวินยัยก็ยังไม่เคยทำอะไรผิดคิดมาถึงขั้นว่าตนไม่ผิดแต่ทำไมตนต้องถูกดา่ายิ่งเจ็บยิ่งแขนวันที่ท่านถูกดา่ากลางชุมชนนั้นเป็นวันศุกร์แต่ตกถึงเช้าวันจันทร์ท่านก็ยังไม่หายโกรธ เช้าวันจันทร์นั้นพระบวชใหม่ประคองบาทเดินผ่านชุมชนนั้นเหมือนเดิมท่านพยายามสอดสายสายตามองหาชายคนเดิมตั้งใจว่าวันนี้จะต้องสอบถามให้รู้เรื่องว่าเหตุใดจึงมาชี้หน้าด่าดตนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วยิ่งพยายามค้นหากลับยิ่งไม่เจอ ท่านจึงเดินสำรวจรับอาหารบินทบาทต่อไปจนได้อาหารเต็มบาทแล้วจึงเดินกลับวัดระหว่างทางกลับวัดโดยไม่คาดฝันพระหนุ่มทอดสายตาไปพบกับชายคนหนึ่งสวมสูทผูกเนคไทใส่แว่นตาดำท่านอุทานในใจว่าอ๋อเจ้าคนนี้เองที่ด่าชั้นเมื่อวันศุกร์ ภาพที่เห็นก็คือชายแต่งตัวดีคนนั้นนอนหลับหมดสติอยู่ข้างสารเจ้าแห่งหนึ่งข้างๆตัวเขามีขวดเหล้าล้มกลิ้งอยู่พอท่านพยายามเดินเข้าไปมองใกล้ๆเขาจึงเริ่มรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพอเห็นท่านเท่านั้นชายคนนั้นก็ร้องขึ้นมาว่าขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกล้าวบัดนี้ พระองค์ส่งกลับมาครองอยุธยาอีกครั้งหนึ่งแล้วกระนั้นหรือว่าแล้วก็ลุกขึ้นรำเฉบเฉบชายที่ท่านประเมินว่าแต่งตัวดีคนที่ชี้หน้าด่าท่านเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเป็นคนบ้าที่มาในร่างของคนแต่งตัวดีเท่านั้นเองความโกรธที่ก่อตัวเป็นเมฆดำทมึนอยู่ในใจของท่านมนนานถึงสามวัน พลันอันตรธานหายไปอย่างง่ายดายชนิดไร้ร่องรอยทำไมเราจึงปล่อยวางต่อคนบ้าได้ง่ายดายเหลือเกินแต่กับคนปกติทำไมเราจึงมีความรู้สึกว่าต้องเอาเรื่องราวให้ถึงที่สุด